หมื่นโล ก, กาธาตุก็ปราศจากเสียงเงียบสงัดปราศจากความวุ่นวายเนี่ยไอหมื่นโลกาธาตุไม่วุ่นวายนี้ก็เป็นบุพนิมิตเหล่านั้นก็เห็นกันแล้วว่าวันนี้ต่อไปในอนาคตท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเครื่องหมายแห่งความสงบระงับอันนี้บอกเลยว่าอีกอนาคตท่านเป็นพระพุทธเจ้าแน่มหาวาตะลมใหญ่ก็ไม่พัดน้ําก็ไม่ไหลคิดดูสิลมที่มันเคยมีพายุกระหน่าใหญ่ แม่น้ำแล้วก็ไม่ไหลด้วยเครื่องหมายอันนี้บอกแล้วว่าต่อไปท่านจกเป็นพระพุทธเจ้าแน่ดอกไม้บนบกดอกไม้ในน้ำทั้งหมดก็บานในขณะนั้นอดอกไม้เหล่านั้นก็บานหมดในวันนี้ท่านจกเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปแน่ไม้เถาหรือต้นไม้ก็ติดผลในขณะนั้นต้นไม้เหล่านั้นก็ออกผลหมดในวันนี้ท่านจกเป็นพระพุทธเจ้าแน่ดูสิต้นไม้มันออกผลหมดเลยเนี่ย แป ว, ว่าดูรอบๆดินฟ้าอากาศต้นไม้ใบหญ้านี่พยากรณ์เลยว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้ารัตนะทั้งหลายรัตนะคือแก้วแหวนเงินทองทั้งหลายที่อยู่ในอากาศและอยู่ในพื้นดินก็เรืองแสงหรือว่าประกายแสงออกมาในขณะนั้นรัตนะคือแก้วเหล่านั้นก็เรืองแสงแล้วในวันนี้ต่อไปท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่ดนตรีของมนุษย์และดนตรีที่บะนเลงขึ้นเองในขณะนั้น แม้ดนตรีทั้งสองก็ส่งเสียงแล้วในวันนี้ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่เออเสียงดนตรีดังมาก็พยากรณ์ได้ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้ามหาสมุทรก็ขนองแสดงว่าคลื่นแรงหมื่นโลกาธาตุก็หวั่นไหวแม้ทั้งสองนั้นก็ส่งเสียงร้องแล้วในวันนี้ต่อไปท่านจกเป็นพระพุทธเจ้าแน่โอ้ยเทวดาพรหมมาพยากกรให้อย่างนี้ก็อิ่มใจเลยนะ ไฟร้ายหมื่นในนรกทั้งหลายไฟนรกก็ดับในขณนะนั้นไฟนรกแม้เหล่านั้นก็ดับแล้วในวันนี้ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่เทวดาเขามองเห็นดูซิไฟนรกยังดับเลยนะดับแป๊บเดียวนะถ้าดับตลอดตอนนี้ก็สบายเลยนะไม่ใช่มันมันก็ตอนนั้นก็ดับแล้วแหละแต่คนบาปไปจุดให้มันลุกขึ้นมาใหม่อีกทีนึ่ น, นะก็เลยร้อนระ อ, อุขึ้นมาอีกดวงอาทิตถึงจะจา้าแต่ก็ไร้มนทิน นะดวงอาทิตย์ส่องจ้าไร้มนทินเนี่ยนะดวงดาวก็เห็นได้ชัดปกติกลางวันมองมีใครมองเห็นดาวบ้างขนาดนั้นอ่นะมีดวงอาทิตย์ก็ยังส่องแสงจ้าอยู่ก็ดวงดาวก็ยังเห็นได้เพราะฉะนั้นดวงดาวเหล่านั้นก็เห็นกันได้แล้วในวันนี้ท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่เมื่อฝนไม่ตกน้ำํำพุก็ขึ้นจากแผ่นดินในขณะนั้นน้ําแม้นั้นที่พุกขึ้นมาจากแผ่นดินเนี่ยนะน้ำพุพุ่งขึ้นมาเนะี่ยท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่ หมูดาวและดาวนักสัตตะเกทั้งหลายก็เจีมกระจ่างเรียกว่าดาวนักสัตย์ทั้งหลายที่พวกหมอดูอาศัยดวงดาวพยากรณ์เนี่ยนะดวงดาวเหล่านั้นมาหมดเลยตลอดมนทนท้องฟ้าดวงจันทร์ก็ประกอบด้วยดาวเรือวิสาขะเนี่ยนะนี่มันดาววันเพ็งวันวิสาขะเลยแหละท่านจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าแน่เพราะอะไรดูดาวสิดาวดาวพยากรณ์เนี่ยมาหมดเลยเพราะว่าพวกตำราหมอดูเนี่ยเขาอัดพยากรณ์ตามดวงดาวใช่ไหม นี่ดวงดาวเรียกว่าดาวนกรรษัตร์นักดาวดาวดาวมงค์นทั้งหลายมาหมดเลยท่านเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนไม่ต้องห่วงหรอกสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโพรงเนี่ยนะพวกอยู่ในโพรงที่อยู่ในร่องน้ําก็ออกจากที่อยู่ของตนสัตว์แม้เหล่านั้น<ๆ>ก็ออกจากที่อยู่แล้วในวันนี้ ต, ต่อไปท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่ความไม่ยินดีไม่มีแก่สัตว์ทั้งหลายแปลว่าสัตว์เหล่านั้นเนี่ยไม่มีเครียดเลยว่างั้น สัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นผู้สันโดษในขณะนั้นเออรู้จักพอเป็นเหมือนกันมางั้นสัตว์แม่เหล่านั้นก็เป็นผู้สันโดษแล้วในวันนี้รู้จักพอแล้วท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่ในขณะนั้นโรคทั้งหลายก็สงบความหิวก็หายไปเครื่องไม้เหล่านี้ก็เห็นกันแล้วในวันนี้ว่าท่านจะเป็นพระพุทธเจ้านะสงบโรคสงบหิวไปหมดเลยขณะนั้นภัยก็ไม่มีความไม่มีภัยนั้นก็เห็นกันแล้วในวันนี้ พวกเรารู้กันด้วยเหตุนั้นว่าท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่ภัยนี้แปลว่าความน่ากลัวไม่มีอะไรมานน่ากลัวเลยนะั่นในขณะนั้นกิเลสดุดทุลีไม่ฟุ้งขึ้นในเบื้องบนความไม่ฟุ้งแห่งกิเลส ท, ที่เหมือนกับทุลีก็เห็นกันแล้วในวันนี้พวกเรารู้กันด้วยเหตุนั้นว่าท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่กลิ่นที่ไม่น่าปรารถนาก็จางหายไปกลิ่นทิพย์ก็โชยมา กลิ่นหอมแม้นั้นก็โชยมาแล้วในวันนี้ท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่ก็อาศัยกลิ่นที่มันหอมเนี่ยนะเทวดาทั้งหมดเวนอรูปประพบก็ปรากฏแม้เทวดาเหล่านั้นก็เห็นกันหมดในวันนี้ท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่ขึ้นชื่อว่านรกมีประมาณเท่าใดก็เห็นกันหมดในขณะนั้นเห็นนรกทุกขุมเลยนะ นรกแม้เหล่านั้นก็เห็นกันแล้วในวันนี้ต่อไปท่านจากเห็นพระพุทธจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่กำแพงบานประตูและภูเขาหินไม่มีที่กีดขวางหรือไม่เป็นที่กีดขวางในขณะนั้นแปลว่าเดินทะลุได้หมดนะนะกำแพงบานประตูภูเขาหินก็ทะลุอย่างนั้นได้เนี่ยกลายเป็นอากาศไปในวันนี้ท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่การจุติและปฏิสนธิย่อมไม่มีในขณะนั้นก็แปลว่าอะไรนะ ไม่มีการจราจรจุติปฏิสนธิเนี่ยนะไม่มีการมาไม่มีการไปจราจรหยุดนิ่งหมดเลยนะหยุดจุติปฏิสนธิชั่วคราวของงั้นไอ้นิมิตแห่งการไม่จุติปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเห็นกันได้ในวันนี้ท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่ชั่ววินาทีหนึ่งนะสัตว์จุติปฏิสนธิไม่รู้เท่าไหร่แต่ขณะนั้นมันเว้นจากการจุติปฏิสนธินี่สิมันอัศาจรรย์เป็นเครื่องหมายบอกได้เลยว่าเขาจะเป็นพระพุทธเจ้า จริงๆแล้วอย่างอย่างในโลกขณะนี้ที่เราพูดหนึ่งคำหายใจหนึ่งทีนะมีสัตว์เกิดกับสัตว์ตายนะมนุษย์นะเอามนุษย์เอาทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจเข้าออกมีคนตายหมดแล้วก็มีคนเกิดด้วยหมดนะมีคนคลอดหมดมีคนปฏิสนธิหมดชั่วหายใจเข้าออกของเราทั้งหลายนี่แหละพันน์ก็โลกทั้งโลกมันเท่าไหร 6, ่หกแบบหพล้านเนี่ยนะก็มีเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้นี่มนุษย์นะเดราชานทั้งหลายล่ะอันนชั่วชั่วขณะหนึ่งไม่รู้จุติปฏิสนธิเท่าใด แต่ว่าจุติปฏิสนธิในขณะตอนนั้นไม่มีนี่เป็นเครื่องหมายบอกว่าท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นิมิตเหล่านี้ปรากฏเพื่อความตรัสรู้ของสัตว์ทั้งหลายนิมิตเหล่านี้เนี่ยทำให้รู้ได้เลยว่าผู้ใดได้ดรับพยากรจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นขอท่านจงโปรดประคับประคองความเพียรเอาไว้ให้มั่นอย่าถอยกลับอย่าเลิกนะถึงว่าอะไรนะถึงจะถึงจะดูดีอะไรดีแต่ทาเลิกก็จบเลยนะ พันธะท่านเลิกบำเพ็ญบารมีจะได้เป็นพระพุทธเจ้ามาจากไหนเพราะฉะนั้นประคองความเพียรเอาไว้ให้มัน่นอย่าถอยกลับโปรดก้าวไปข้างหน้าต่อไปเถิดแม้พวกเราก็รู้เหตุข้อนั้นต่อไปท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแนะ่ขอให้เพียรให้พยายามให้บากบันมัน่นคงอย่าท้อถอยก็แล้วกันสุมเมศบัณฑิตนั้นกล่าวว่าเราพอได้ฟังพระดํารัสของพระพุทธเจ้าฟังคําของเทวดาในหมื่นโลกธาตุทั้งสองแล้ว คือทั้งพระพุทธเจ้าด้วยทั้งเทวดาในหมื่นโลกธาตุด้วยก็ยินดีร่าเริงบันเทิงใจในขนาดนั้นโอยใครที่ได้รับพยากรสุมเมธบัณฑิตดีใจมากก็เลยคิดกันว่าพระชนะพุทธเจ้าทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าที่ปังกรเนี่ยนะหรือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นมีพระดำรัตไม่เป็นสองมีพระดารัตไม่เป็นโมะคะคาเทศของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มี ต่อไปเราจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นะนะคิดในใจเลยว่าพระพุทธเจ้าพยากรณ์เช่นใดต้องเป็นเช่นนั้นอนาคตเราเป็นพระพุทธเจ้าแล้วตอนนี้ว่าที่ไปก่อนก้อนอุปมาอุปมาเหมือนอย่างว่าก้อนดินเวี่ยงไปในอากาศย่อมตกลงที่พื้นดินแน่นอนฉันใดพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทั้งหลายก็เที่ยงแท้แน่นอนฉันนั้นเนี่ยเคยเห็นก้อนดินค้างค้างฟ้าไหมไห ม, มีตกแน่นอนพุทพธพจน์ก็ฉันนั้น คำเทศของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีเราจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่ความตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะว่าเกิดเท่าใดก็ตายเท่านั้นเนี่ยนะแม้ฉันใดพระดํารัสของพระพุทธเจ้าทั้งหลายประเสริฐสุดผู้ประเสริฐสุดทั้งหลายก็เที่ยงแท้แน่นอน พ, พุทธพจน์แน่นอนเหมือนไร like เหมือนคนที่เกิดมาแล้วต้องตายเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน เมื่อถึงเวลาสิ้นราตรีดวงอาทิตย์ก็ขึ้นแน่นอนฉันใดพระดํารัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทั้งหลายก็เที่ยงแท้แน่นอนฉะ น, นั้นเหมือนกันใช่ไหมพอกลางคืนผ่านไปกลางวันก็เข้ามาเนี่ยแน่นอนราชสีออกจากที่นอนก็บรรลือาาศีห์นาฏแน่นอนฉันใดพระดํารัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทั้งหลายก็เที่ยงแท้แน่นอนฉะ น, นั้นเหมือนกันคนมีคันหนัก คนท้องแก่เต็มที่เลยนะก็ปลงภาระคลอดลูกแน่นอนฉันใดพระดํารัดของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดก็เที่ยงแท้แน่นอนฉันนั้นเหมือนกันนะก็มีอยู่คนเดียวนี่แหละที่มีท้องถึง7ปีแต่ในที่สุดก็คลอดเหมือนกันหมดไม่มีใครเหลือฉันใดพันพระพุทธพจน์เนี่ยแน่นอนฉันนั้นเปรียบเทียบความแน่นอนของพระพุทธเจ้าเหมือนอะไรหนึ่ง เหมือนก้อนดินคว้างไปในอากาศสองเหมือนสัตว์ตายสาราตรีสิ้นไปดวงอาทิตย์ก็ขึ้นมาสีราชสีออกจากถ้ำก็บลือบลือสีหนาตแต่ก็สัตว์มีคันหนักก็คลอดแน่นอนฉันใดเราก็จะได้แต่สรู้เป็นพระพุทธเจ้าตามพุทธภยากรอนฉั น, นั้นเหมือนกันแน่นอนเอาเถิดเราจะเลือกเฟ้นพุทธกัลกะธรรมเลือกเฟ้นทางจากทางโน้นทางนี้จากทั้งเบื้องบนเบนื้องล่างทั้งสิทิศ ตราบเท่าที่ธรรมธาตุเป็นไปคือคําพยากรณ์ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยได้รับอยู่แล้วละ่ะทีนี้แล้วธรรมะที่จะสร้างความเป็นพระพุทธเจ้าละ่ะที่เรียกว่าพุทธกา ร, รกฐธรรมเนี่ยนะธรรมะสร้างความเป็นพระพุทธเจ้าธรรมะเครื่องบ่มความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเอาเถิดเราจะเลือกเฟ้นพุทธการกฐธรรมพุทธการกฐแล้วว่าการธรรมธรรมะที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรก็เลือกเฟ้นเลย ทั่วทิศทั้ง10ทิศเนี่ยนะทั้งธรรมธาตุเรียกว่าพิจารณาในทั้งในส่วนของรูปธรรมและอรูปธรรมในส่วนของรูปธรรมและนามธรรมครั้นแล้วเราเมื่อเลือกเฟ้นก็เห็นฐานบารมีเป็นอันดับแรกเป็นทางใหญ่มากทางนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆเป็นทางที่ใหญ่มากที่พระผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทั้งหลายพระองค์ก่อนๆประพฤติกันประพ์ตามกันมาแล้ว เพราะว่าพระพุทธเจ้าเหล่านั้นถ้าไม่สร้างทานบารมีมาพราะองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าไหมเพราะฉะนั้นท่านจงสมาทานท า, านบารมีนี้เอาไว้ให้มั่นเป็นอันดับแรกจงบำเพ็ญทานบารมีถ้าว่าท่านต้องการบรรลุโพธิญาณคือถ้าท่านต้องการบรรลุอรหัตตะมัคคายนเป็นที่ตั้งแห่งสัพพัญญุตญาณ น, นะท่านจงบำเพ็ญทานนบารมีเถิดอุปมาเกี่ยวกับการให้ทานว่า หม้อที่เต็มด้วยน้ำอย่างใดอย่างหนึ่งที่วางคว่มปากลงหม้อน้ำนั้นก็สํโรอกหรือน้าก็ไหลออกไม่เหลือเลยไม่รักษาน้ำเอาไว้ในหม้อ น, นั้นได้แม้ฉันใดท่านเห็นยาจกทั้งหลายทั้งชั้นต่าชั้นกลางและชั้นสูงแล้วจงให้ทานไม่เหลือเลยเหมือนหม้อที่คว่มปากฉะนนั้นเหมือนกันเรียกว่าสมาทานที่จะให้ทานเหมือนกับ ม่อความท่าปราถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เราคิดต่อไปอีกว่าพุทธธรรมเหล่านั้นพุทธธรรมคือธรรมที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้าข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้านั้นมิใช่จักมีแต่เพียงเท่านี้เท่านั้นเราจึงเลือกเฟ้นพุทธธรรมธรรมะ ท, ที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้าแม้อื่นๆที่ช่วยอบรมบ่มโพธิญาณบ่มอรหัตตมัคยานบ่มพระสัพพัญยุตยาน ครั้งนั้นเราเมื่อเลือกเฟ้น น, นะนะเรียกว่าทำมวิจัยเนี่ยนะเรียกว่าวิจัยข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็เห็นศีลบารมีเป็นอันดับที่สองศีลเนี่ยเป็นข้อที่สองที่พระผู้สแสวงหาคุณทั้งหลายพระองค์ก่อนก่อ น, อนพากันซ่องเสพอยู่เป็นประจำก็กล่าวว่าท่านจงสมาทานศีลบารมีเป็นอันดับสองนี้เอาไว้ให้มั่นก่อนถือเอาไว้ให้ดีแล้วนะศีลนี่แหละสาคัญที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้า ท่านจงบำเพญ็ญศีละบารมีถ้าว่าท่านต้องการบรรลุโพธิญาณถ้าต้องการอรหัตธรรคขยานเป็นที่ตั้งแห่งสัพพัญญุตญาณเป็นที่ตั้งแห่งพุทธคุณทุกชนิดท่านจงสมาทานศีลอวะให้ดีเปรียบเหมือนว่าเนื้อจามรีรักษาขนหางที่ติดอยู่ในที่บางแห่งกระเนื้อจามรีเป็นสัตว์ชนิดที่รักขนหางมากถ้าหากว่าหาง ขนหางไปติดอยู่ในที่บางแห่งก็ยอมตายในที่นั้นไม่ยอมให้ขนหางกระจุยฉันใดหรือเหมือนกับว่ามันรักขนหางมากนะก็เดินเดินไปแล้วหนามมันเกี่ยวขนหางไม่ยอมขยับตัวกลัวหางจะขาดยอมตายอยู่ตรงนั้นแหละฉันใดท่านจงทำศีลบารมีให้บริบูรณ์ในภพสี่คือจตในจตุท่านจะต้องบำเพ็ญจตุปาริสุทธิศีลให้ดีท่านจงรักษาศีลบริรักบริรักแปลว่ารักษาโดยโรอบ รักษาศีลดยรอบและต้องทุกเมื่อด้วยเหมือนจามารีรักษาขนหางฉะนั้นเหมือนกันมันถ้าปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าต้องรักษาศีนเหมือนอะไรถ้าเป็นที่อื่นก็เหมือนนกต้อยตีวิทรักษาไข่บุรุษตาเดียวรักษาดวงตาแม่ผู้มีลูกยากรักษาลูกคนเดียวฉะนั้นเนี่ยนะ ต่อไปอีกว่าพุทธธรรมธรรมะสร้างความเป็นพระพุทธเจ้าเหล่านั้นไม่ใช่จกักมีแต่เพียงเท่านี้เท่านั้นเราจึงเลือกเฟ้นพุทธธรรมอื่นๆซึ่งจะช่วยอบรมบ่มโพธิญาณครั้งนั้นเมื่อเราเลือกเฟ้นก็เห็นเนคขมมะบารมีเป็นอันดับที่สามซึ่งพระผู้สแสวงหาคุณทั้งหลายพระองค์ก่อนๆซ่องเสพอยู่เป็นประจำนะเนคขมมะบารมีนี้เป็นอันดับที่สามเลยแหละ บอกตัวเองว่าท่านจงสมาทานเนคข ม, มะบารมีอันดับสามนี้เอาไว้ให้มั่นก่อนจงบำเพ็ญเนคข ม, มะบารมีถ้าว่าท่านต้องการบรรลุพระโพธิญาณอุปมาเนคข ม, มะว่าบุรุษผู้อยู่ในเรือนจำมานานนะติดคุกมานานระทมทุกข์ย่อมไม่เกิดความรักอาลัยอาวร์ในเรือนจำนั้นน่ะแสวงหาทางหลุดพ้นอย่างเดียวฉันใด ท่านจงเห็นพบทั้งปวงเหมือนกับเรือนจำนะเห็นวัตตาในภูมิสามเหมือนกับเรือนจำมุ่งหน้าตอนน่อเนคขมมะเนี่ยนะเพื่อหลุดพ้นจากภพฉันนั้นเหมือนกันถ้าท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้งงาเอางั้นจะต้องเห็นวัตตาในภูมิสามเหมือนอยู่ในคุกตลอดเลยนะอึดอัดเบื่อนายอยากจะออกเต็มที่ละแต่ก็ต้องอยู่เพราะอะไรเพราะการุณาเนี่ยนะเพื่อสร้างบารมีเพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้า นะท่านคิดได้สามนะใช่ต่อไปบอกว่าพุทธธรรมเหล่านั้นมิใช่จากมีแต่เพียงเท่านี้เท่านั้นจำเราจากเลือกเฟ้นพุทธธรรมอื่นๆซึ่งจะช่วยอบรมบ่มโพธิญาณครั้งนั้นเราเมื่อเลือกเฟ้นก็เห็นปัญญาบารมีอันดับสี่ซึ่งพระผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทั้งหลายพระองค์ก่อนๆทรงซ่องเสพอยู่เป็นประจำบอกตัวเองสั่งตัวเองเลยว่าท่านจงสมาทาน สมาทานนี่แปลว่าถือเอารวบรวมถือเอาปัญญาบารมีอันดับที่สี่นี้เอาไว้ให้มั่นก่อนจงบำเพ็ญปัญญาบารมีถ้าว่าท่านต้องการบรรลุโพธิญาณถ้าต้องการเป็นพระพุทธเจ้าท่านต้องถือเอาปัญญานะเหมือนอย่างว่าภิกษุเมื่อจะขอขออะไรขออาหารบิณฑบาตเนี่ยนะเมื่อขอทั้งตระกูลชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูง เดินไปสแสวงหาอาหารไม่เว้นตระกูลทั้งหลายเลยดังนั้นจึงได้อาหารพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้ฉันใดทำไมจึงยกตัวอย่างพระพิสุบินทวาดหาอาหารใช่ไหมเพราะว่าเช้ามันหิวที่สุด ไม่ได้ฉันมาตั้งแต่เที่ยงวันมาแล้วใช่ไหมถ้าน้ําปลานะกก็ไม่ได้ฉันด้วยแล้วเดินทางไกลด้วยเช้านี่หิวมากเหลือเกินมันก็ต้องเดินอาหารขอให้ใครใส่บาตรเถอะใครก็ได้เหมือนกันตระกูลไหนก็ใส่เอาทั้งหมดอะขอให้มันมีชีวิตรอดต่ออีกวันหนึ่งจะได้ประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปฉันใดท่านจะต้องสอบถามท่านผู้รู้ตลอดเวลาทุกเวลาสแสวงหาความรู้ตลอดเวลาถึงฝั่งแห่งปัญญาบารมีแล้ว จากบรรลุพระสัมโพธิญาณได้ฉะนั้นเหมือนกันจะต่อถ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องแสวงหาปัญญาเหมือนคนหิวหาอาหารฉะนั้นเนี่ยนะหิวตลอดเวลาหิวความรู้หิวหิวปัญญาเนี่ยนะหิวปัญญาตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นได้ก็เป็นพระพุทธเจ้าได้ต่อไปท่านก็คิดต่อไปอีกว่าพุทธธรรมธรรมที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้านั้นน่ะมิใช่จากมีเพียงเท่านี้เท่านั้นจาเราจากเลือกเฟ้น พุทธธรรมอื่นๆซึ่งจะช่วยอบรมบ่มโพธิญาณเนี่ยนะคุณธรรมเครื่องบ่มโพธิญาณครั้งนั้นเราเมื่อเลือกเฟ้นก็เห็นวิริยะบารมีเป็นอันดับ5วิริยะคือความกล้าเนี่ยนะความภาคเพียรพยายามในการให้ทานรักษาศีลเจริญเนี่คัมมาอบรมปัญญาเนี่ยเห็นวิริยะเลยว่าเป็นอันดับที่5วิริยะนี่แหละที่พระผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทั้งหลายพระองค์ก่อนๆซ่องเสพกันเป็นประจำ คือพระพุทธเจ้าที่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นล้วนแต่บำเพ็ญวิริยะบารมีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านจงสมาทานวิริยะบารมีอันดับห้านี้เอาไว้ให้มั่นก่อนท่านจงบำเพ็ญวิริยะบารมีถ้าว่าท่านต้องการบรรลุพระโพธิญาณเปรียบเหมือนว่าราชสีพยายามมรุขราชคำมรราชราชาแห่งหมูเนื้อทั้งหลาย เป็นสัตว์ที่มีความเพียรมีความกล้าไม่ท้อถอยในอิริยาบถนอนเรียกว่าเกล้วกล้าในอิริยาบถนอนอิริยาบถยืนเดินเป็นสัตว์ที่ประคองใจอยู่ทุกเมื่อแปลว่าไม่รู้จักตกใจเนี่ยนะองอาจกล้าหาญขนาดนั้นฉันใดท่านจงประคองความเพียรความกล้าในการเจริญกุศลเอาไว้ให้มั่นในภพทั้งปวงท่านก็จะถึงฝั่งแห่งวิริยะบารมีแล้ว นนถ้าถึงฝั่งแห่งวิริยะบารมีก็จักบรรลุพระสัมโพธิญาณฉะ น, นั้นเหมือนกันเนี่ยนะจะว่าต้องกล้าเจริญกุศลเหมือนกับราชสีองค์อาจเนี่ยนะอ่ามันเวลาเจริญกุศลเนี่ยไม่ใช่โอ้ยทําดีหรือไม่ดีเนาะทำหรือไม่ทําทําหรือไม่ทําบอกว่าต้องกล้าตลอดเวลาไม่มีคําว่าถอยในการเจริญกุศล พุทธธรรมธรรมะที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้าเหล่านี้เนี่ยนะมิใช่จะมีเพียงเท่านี้เท่านั้นจําเราจะต้องเลือกเฟ้นพุทธธรรมอื่นๆซึ่งจะช่วยอบรมบ่มพระโพธิญาณเรียกว่าเครื่องหล่อหลอมอรหัตตมัคคายสัพพัญยุตยา น, นี่ยิ่งใหญ่จริงๆเฉพาะอรหัตตมัคคายนเป็นที่ตั้งแห่งอาสาธารณะญาณนี่ยิ่งใหญ่มากแต่ถ้าหากว่าอรหัตตมัคคายนเป็นที่ตั้งแห่งวิชาสามอภิญญา หปฏิสัมพิทาสี่แบบสาวกบารมีเนี่ยท่านสุเมศบอกว่าแป๊บเดียวก็มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะแต่ว่าเป็นที่ตั้งแห่งอรหัตตมัคคยาณช่างยิ่งใหญ่แท้เหมือนนจะต้องรวบรวมธรรมะที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้าชั้นแรกเลือกหาให้ครบก่อนแล้วค่อยว่าอีกทีเหมือนกันนั่นก็เลยเลือกเฟ้นไปครั้งนั้นเมื่อเราเลือกเฟ้นก็เห็นขันติบารมีเป็นอันดับที่6เนี่ยนะเห็นเนคข ม, มะเป็นลําดับที่หอขออภัย เห็นขันติบารมีเป็นลำดับที่หกซึ่งพระผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทั้งหลายพระองค์ก่อนอนซ่องเสพกันมาเป็นประจำก็บอกตัวเองเลยว่าท่านจงสมาทานขันติบารมีอันดับที่หกนี้เอาไว้ให้มั่นก่อนท่านจงมีใจไม่เป็นสองใจของท่านต้องเป็นหนึ่งเดียวนะหนึ่งเดียวในความมั่นคงในขันติบารมีนั้นท่านก็จะบรรลุพระสัมโพธิญาณ ที่จริงกิจกรรม น, นี้คิดเองทั้งหมดเลยนะเออเองพูดเองเออเองอุปมาเองเปรียบเทียบเองนั่งอยู่ข้างๆอะไรนะคโครนตรมนั่นแหละก็ลเลยบอกต่อไปว่านะอุปมาขันติบารมีว่าขึ้นชื่อว่าแผ่นดินแผ่นดินย่อมทนสิ่งของที่เขาทิ้งลงมาของที่เขาทิ้งลงมาไม่ว่าจะสะอาดหรือไม่สะอาดของทุกอย่างที่ทิ้งลงมาเนี่ยแผ่นดินไม่ทําความยินดียินร้ายฉันใด แม้ตัวท่านก็ต้องเป็นผู้อดทนต่อการยกย่องและการดูหมิ่นของชนทั้งปวงฉะนั้นเหมือนกันทว่าอดทนทําไมอดทนคือคนที่ไม่ทนเนี่ยนะพอเจอคํายกย่องมากๆ ก, ก, ก็เลิกเจริญกุศลหรือถูกเขาดูหมิ่นดูแคลนเยียดยามมากๆ ก, ก, ก็เลิกเจริญกุศลเพราะฉะนั้นคนจะยกย่องคนจะดูหมิ่นท่านต้องมั่นคงแล้วในการเจริญกุศลฉะนั้นท่านก็ถึงฝั่งแห่งขันติบารมีแล้ว ก็จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้นี่ก็คิดต่อไปอีกว่าพุทธรรธรรมธรรมะที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้านี้ไม่ใช่จักมีเพียงเท่านี้เท่านั้นจำเราจะต้องเลือกเฟ้นพุทธธรรมอื่นๆซึ่งจะช่วยอบรมบรม่มพระโพธิญาณ ครั้งนั้นเมื่อเราเลือกเฟ้นก็เห็นสัจจะบา ร, รมีเป็นอันดับที่7เนี่ยนะสัจจะบา ร, รมีสัจจะตัวนี้เน้นวาจาสัตนะเน้นคําพูดคําสัต์คําจริงเช่น่าพูดว่าจะให้ทานพูดว่าจะรักษาศีลพูดว่าจะเจริญเนกขมมะพูดว่าจะอบรมปัญญาวิริยขันติสัจจะเป็นต้นน่ยนะพูดคําใดก็ต้องเป็นคำนั้นเรียกว่าบำเพ็ญรักษาสัจจะวาจาถ้าไม่มีสัจจะวาจาตั้งกระแรกสร้างบำเพ็ญบา ร, รมีแล้วจะเป็นผู้ที่มีพุทธวาจาแน่นอนได้หรือ พุทธวาจาแน่นอนเหมือนไรเหมือนกับแผ่นดินที่โยนเข้าไปในอากาศต้องตกลงมาพุทธพจน์แน่นอนฉันั้ น, พนเพราะในแน่ความแน่นอนอันนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วก็พอถึงสักวันหนึ่งก็เลยพูดโดยไม่ต้องผ่านการอบรมใช้สัมมาวาจาพูดแต่สัจจวาจามาเนิ่นนานเพราะฉะนั้นเลือกเฟ้นไปก็เห็นสัจจะบารมีเป็นลำดับที่เจซึ่งพระผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทั้งหลายท่องซ่องเสพกันมาประจํา คือการสแสวงหาบารมีการเลือกเฟ้นบารมีเนี่ยนะเป็นการเลือกเฟ้นคุณธรรมตา ม, ตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าทุกองค์บำเพ็ญมาก็เลยบอกกับตัวเองว่าท่านจงสมาทานสัจจะบารมีอันดับที่เจ็ดอันนี้เอาไว้ให้มั่นก่อนท่านจะต้องเป็นผู้มีวาจาไม่เป็นสองในสัจจะบารมีเรียก ว, ว่าวาจาของท่านต้องแน่นอนนะท่านจักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้ เปรียบอุปมา Woah, เหมือนว่าธรรมดาดาวประกายพฤกษ์เหมืนกันดาวประกายพฤกก็คือดาวที่มันขึ้นช่วงเ ช, ช้าๆอ่ะนะดาวประกายพฤกพฤกษ์เนี่ยปรกเนี่ยแ ป, ปลว่าเช้าเหมือนกันดาวที่มันส่องสว่างในส่องสว่างในช่วงเช้าดาวประกายพฤกก็คือเปึกเนี่ยเปรกค่อยเง็ภาษาเขมรแปลๆๆ <boring> ว่าเช้าแล้วเหมือนกันอันนั้นดาวประกายพฤกอันนี้เป็นดวงตาคือเป็นเหมือนกับตาช่างของโลกพร้อมทั้งเทวโลกดาวชนิดนี้ไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนฤดูนาวฤดูร้อน ไม่โครจร อ, ออกนอกวิถีโครจรเลยฉันใดเป็นดาวที่แปลกมากตื่นเช้ามานะ ถ, าถ้าใครตื่นแต่เช้ามืงต้องเห็นดาวดวงนี้ก่อนนะถ้าดูในที่ตะวัน อ, อ่อมจะต้องเห็นดาวดวงนี้เห็นทุกวันนั่นแหละถ้าไม่มีเมฆหมอกเป็นต้นมาปิดบงังฉันใดถึงตัวท่านก็อย่าเดินนอกวิถีทางแห่งสัจจะทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันเพราะท่านจะต้องมีสัจจะเนี่ยนะท่านจะต้องมีคําพูดที่เป็นสัจจะเพื่อวิรตีสัจจะยานสัจจะ ท่านจะได้ตรัสรู้อริยสัจประกาศอริยสัจจะต่อไปได้เนี่ยนะ